สังคาที่เศษสิขาบทที่เก้าว่าด้ยภิกษุณีมีความประพฤติเลวสามเรื่องภิกษุณีอันเตวาสนีของภิกษุณีทุลลนันทา7 2 1สเ็ดสมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุณีอันเตวานีของภิกษุณีทุลลนันทาอยู่คลุกคลีกัน มีความประพฤติเลวทรามมีกิตติศัพท์ในทางเสื่อมเสียมีชื่อเสียงไม่ดีมักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ปกปิดโทษของกันและกันบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตนําหนิประนามโผลนทนาว่าจะไหนพวกภิกษุณีจึงอยู่ครุกคลีกันมีความประพฤติเลวทรามมีกิตติศัพท์ในทางเสื่อมเสียมีชื่อเสียงไม่ดีมักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ปกปิดโทษของกันและกันเล่า